ก็ไม่ถึงความสิ้นและอนุตตรโยคัเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็ไม่บรรลุแต่ว่าจีวรบินทบาทเสนาสนะกีฬาณะปัจจัยเพสัชบริขารอันบรรพชิตพึงแสวงหามาเพื่อเป็นบริการของชีวิตหามาได้โดยไม่ยากภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้น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 คิดว่าเราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเพราะเหตุแห่งจีวรเพราะเหตุแห่งบินทบาทเพราะเหตุแห่งเสนาสนะเพราะเหตุแห่งขี้ลานปัจจัยเพสัตวบริขารครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วภิกษุนั้นพึงอยู่ในวัณปัตนั้นอย่าลีกไปเสียเลยภิกษุทั้งหลายอันหนึ่ง